ก็น้อมน้อมต่อคุณพรัตนาไตร <c oughs> ข้อาการเพื่อสัตวมามิตรทุกท่านจเจริญธรรมไม่ชี้ระยะธรรมทุก ท, ท่านเก็นั่งสบายๆเนาะทาความรู้สึกตัวไปด้วยก็ได้นะก็ให้มีความรู้สึกตัวไว้ก็ความรู้สึกตัวก็เป็นเรื่องสําคัญเนาะแล้วกันฟังก็เป็นเป็นเรื่องรองลงมาละกัน <c oughs> เมื่อกี้เราก็ได้สวดบทสาคัญนะคืออวตาริโมก็ ม, <c oughs> <c oughs> มีหัวใจหลักในพุทธศาสนาในตรงนี้เนาะ ค, ค, คือการที่เราไม่ทำบาปทั้งปววการมันทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็การอาชำระจิตของเราให้ข่าวรอบนะและการทำใจให้เราถึงถึงซึ่งความบริสุทธิ์นั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็น เป็นหลักการใหญ่ๆนะในพระพุทธศาสนาที่พร ะ, พ, ระพุทธเจ้าได้ทรงได้มอบให้กับพระสงฆ์พระภิกษุสงฆ์ในยุคนั้นห <c oughs> นึ่งนพะันสองรห้าสิรูปนี่แหละนำไปเป็นหลักในการเผยแผ่ธรรมเพื่อให้พศาสนากว้างขวางขึ้นไปในหมู่ของประชาชนทั้งหลายเนาะก็มี <c oughs> มีหลักยึดตรงนี้ในการที่จะเผยแผ่ไปแล้วเพื่อให ผู้ที่ได้รับฟังนำไป ป, ประพฤติปฏิบัติรมเนาะการที่เราไม่ทำบาปองปวงแล้วก็มี <c oughs> มีศีลเป็นหลักไว้เนาะศีลศีลห้านี่แหละเป็นหลักในใจเร า, เาก็คือให้ใจเราเป็นปกติใช่ไหมเพราะถ้าเร า, าไม่มีศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งมันก็เป็นความไม่ปกติ มันก็จะไปเบียดเบียนผู้อื่นเขานะคือตามตามหลักโดยศีลทั่วไปเนี่ยหมายความว่าเราเราตรงนั้นเราไม่เบียดเบียนใครนั่นเองถ้าไปเบียดเบียนใครแม้แต่เบียดเบียนสัตว์ใช่ไหมเบียดเบียนสัตว์นะมันก็ทําให้เข้าเดือดร้อนใช่ไหมสิีงหนึ่งก็ว่าจะไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยใช่ไหมมันก็เป็นสิ่งแล้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายหรือว่ามนุษย์ทั้งหลายเนาะเนี่ยลักทรัพย์อะไรเนี่ยเบียดเบียนมนุษย์ อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือการเบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนมนุษย์ทั้งหลายทั้งสิ้นเราเราก็ต้องสังเกตว่าเราไปเบียดเบียนใครไหมใช่ไหมบางทีเราไม่ได้เบียดเบียนก็จริงนะแต่บางทีมันก็ทําโดยอ้อมนะอ้อมอะไรทั้งหลายแหล่มันก็เป็ดเบียนใช่ไหมบางทีบางคนบ้านอยู่ใกล้ๆกันนะสมบ้านจัดสรรค์อะไรเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันหรือบ้านห้องแถวใกล้ๆบางคนเปิดวิทยุเสียงดังลั่นเสียงดังลั่นเลย มาก่อนก็นเคยไปอยู่วัดวัดหนึ่งนะอยู่วัดป่าเงียบๆตั้งแตะแล้วห่างไกลยงจากวัดไปไม่ไกลเท่าไหร่ก็เป็นบ้านเล็กๆอยู่หลังเดียวนะโอ้เปิ ด, เ ป, ดเปิดเพลงเสียงดังลั่นเลยเข้ามาในวัดเราได้ยินได้มาจําเลยยังคิดว่าเออบ้านหลังเล็กๆแล้วก็ได้เอเปิดให้จะเพ้าบ้านตัวเองได้ยินใช่ไหมก็แผล เ, เพื่อนบ้านมาในวัดได้ยินเพลงไปด้วยนะอันนี้มันมันมันก็ มันไม่อาจจะไม่ได้ผิดศีลที่เดียวใช่แต่วันก็ใก ล, ล้ๆไปคือว่า <c oughs> บางทีก็ไม่ได้รู้ว่ามันไปเบียดเบียนคนอื่นหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นจริงๆแล้วคำว่าคำว่าไม่เบียดเบียนคนอื่นมันก็กว้างขวางใช่ไหมมันมันทำอะไรเรามันมันคุมกว้างไปทำค น, นก็เดือดร้อนเนาะบางทีบางคนขับรถนะเบียดเบียนคนกันก็มีใช่นะ บางทีขับรถบางคนขับเร็วมากเลยครับปาดซ้ายปาดขวาปาดหน้าปาดหลังอะไรเงี้ยทําทให้คนเขาหวาดเสียวนะนั่งแล้วหวาดเสียวอะไรเนี่ยคนนั่งก็หวาดเสียวคนใช่ถนนก็หวาดเสียวนะอะ่มันก็จริงๆเนี่มันก็เป็นการสร้างความเดือดร้อนคนอื่นเหมือนกันนะอะ่เพราะนั้นบางทีมันก็เรียกว่า <c oughs> ตรงนี้มันก็ต้องมี <c oughs> วิจารณญาณนนะมาทําอะไรมันคนอื่นก็เดือดร้อนไหม เดือดร้อนทางกายทางใจไหมนะถึงมันไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ผิดศีลหา้าแต่ว่าทําให้คนเขารู้สึกอมันไ ม, ไม่ไม่ดีนะอึดอัดลำคาญหงุดหงิด <c> อ <oughs> แล้วก็เดือดร้อนนี่แหละมันก็นม่อยาเป็นการเบียดเบียนคนทั้งสิ้นเลยเนา ะ, ะเพราะฉะนั้นความที่เรียกว่าเราไม่ไ ม, ไม่ไม่ละจากการทําบาปทางปวงก็คือบาปนั่นแหละทําให้ คนนึงเขาเดือดร้อนนะเบียดเบียนเขาโดยวิธีการวิธีใดวิธีหนึ่งเนาะ <c oughs> ส่วนการที่เรามันทํากุศลให้ถึงพร้อมนะจริงๆมันก็มีมีมากมายนะมันมีถึงสิบข้อนะกุศลกำหบด10นี่แหละการให้ทานนะการรักษาศีลนะการเจเริญภาวนานะการที่เราขวนขวายในกิจการที่ชอบนะการอ่อนน้อทมทำตนนะการ อุทิศส่วนกุศลเราทําบุญแลราก็ที่ส่วนกุศ น, แ น, นนะแล้วก็เราอนุโมทนาส่วนบุญกับผู้อื่นนะการพูดธรรมะการฟังธรรมะนะหรือการทําใจให้เราเข้าถึงธรรมนะไม่ไม่ออกนอกทางไปในทางมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายนะพวกนี้ก็เป็นกุศลทั้งนั้นเลยนะอ่านะมันมันไม่ได้ว่าการทําบุญนี่มันจะต้อง <c oughs> ใช้เงินอะไรทั้งหลายแหล่อย่างเดียวนะนะแต่ว่าการที่เรา ทํากิจกรรมต่างๆนี่แหละเช่นตอนนี้เราฟังธรรมนะเราก็ได้บุญแล้วใช่ไหมหรือบางคนก็อาจจะไปกวาดนเดี๋ยวเสร็จแล้วจากนี้ไปบางคนก็ไปกวาดใบไม้ตามศาราหน้าหรือตามที่ต่างๆตามทางเดินตามกุฏิเรานะช่วยกันนะทําทําครัวนะหรือไม่ก็ล้างถ้วยล้างจานนะนะนะ เ, าเก็บขยะอะไรทั้งหลายแหละอันนี้ก็เป็นการได้บุญทั้งนั้นเลย ตรือแการกราบพระนะก็เรียกว่าเป็นเป็นข้อเราที่มีความอ่อนน้อมทำตนนะกราบพระกราบพระพุทธรูปนะกราบพระสงฆ์นะหรือแม้กราบคุณพ่อคุณแม่กราบผู้ใหญ่นะเห็นไหมนี่ก็เป็นการได้บุญทางนั้นนะนมันก็เป็นสิ่งที่เราว่าความเป็นบุญนั่ น, นก็คือเราทําแล้วเราก็ไม่ไม่เบียดเบียนใครนะเราก็ทําแล้วเราก็สบายใจ แล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นในในเรื่องต่างๆเนาะทำให้เขามีความสุขนะโดยความเมตตาทั้งหลายเราเนี่ยเราเป็นเป็นบุญทั้งนั้นเลยเนาะบางบางบางคนนะจริงๆแล้วเขาก็ขาดแคลนนะเขาก็ไม่กล้าพูดก็มีใช่ไหมไม่กล้าพูดยกตัวยอย่างสมัยก่อนนะต่อ ม, มาก็แล้วกันจริงๆมันก็ไม่อยากยกเหมือนกันแต่ว่ามันมันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าประทับใจนิดนิดหน่อยนะสมัยก่อนเห็นคนอายุมากนะ น่าจะอยู่มากแล้วแล้วมันก็ดึกดึกแล้วด้วยคือตอนนั้นก็อยู่ที่กรุงเทพนั่นแหละประมาณสี่ทุมแล้วเขาก็ยังมาวางของขายแบกกรดินอยู่เลยเป็นของใช้เล็กเล็กนิดน้อยนะดูแล้วมาขายตอนนี้ใครก็อยาซื้อกันเนาะแต่ดูก็นหน้าสงสารนะเอก็เลยซื้อของเลเล็กเล็กนิดน้อยนิดหน่อยแล้วก็ให้ให้เงินเขาไปอ่าประมาณสิบาทหรือยี่สบาทเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะมันแล้วก็ไม่ต้งทอนแล้วก็ให้เขาไปเลยนะ คือเราจะไปให้ก็เฉยๆมันก็ น, น่าเกียรต้ต้องเอาของนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างไม่จริงๆมันนึกไม่ออกว่าตัวอย่างอะไรดีใช่มหรือบางที่เห็นคนนั้นลดเสียนะแล้วก็เออมั น, มนเหมือนกับเขาก็เข็นอยู่คนเดียวเรเข็นไม่ค่อยไปนะก็ไปแอ บ, บเข็นช่วยโขเข็นก็คงเป็รลูกเราไปช่วยเขาเข็นนะอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยมันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยที่ว่าเราเราทําในตรงนั้นใช่ไหมนะเพราะนั้นตรงนี้มันก็ อะไรมันทําแล้วมันทําแล้วดีมันก็ทําไปนะแล้วก็ไม่ทําให้ใครก็เดือดร้อนแล้วก็ไม่ทําให้คิดว่าเขาเขาเขารู้สึกว่าเขาหน้าสงสารอนะไรอะไรไปช่วยก็เหมือนกับเขานางสารแต่ก็ไม่ไม่อยากเขาดูดูว่าเราเขานางสารในตรงนั้นใช่ไหมเนาะมันมันเป็นสิ่งที่มัน ก, กว้างๆนะการทําบุญทำมุทุศนี่แหละมันมันเหมือนกับว่าทําแล้วนะอะคนที่ทําก็มีความสุขใช่ไหมคนที่เรา เราช่วยเขาก็มีความสุขใช่ไหมไม่ใช่อคนที่ไม่ใ่ใเราทำแล้วเรามีความสุขแล้วคนที่ไปช่วยเขาก็ไม่ไ ม, มีความสุขนะอะไรเงี้ยหรือเราไปช่วยเขา <c oughs> เขามีความสุขแต่เราไม่มีความสุขนะนนี่มันก็อาจจะไม่ค่อยถูกต้องใช่ไหมบางทีช่วงน้ําท่วมเนี่ยนะเราเห็นว่าคนไม่ช่วยกันเยอะและ <c oughs> เยอะแยะเลยนะอ่าบริจากสิ่งของต่างๆกันเนี่ยเขาเรียกว่าคนไทยมีน้ําใจมากมากมายนะเวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ย ไปช่วยกันมากมายมหาศาลนะออตรงนี้ก็คือจริงๆแล้วคนไทยไมีพื้นพื้นฐานในพระพุทธศาสนาอยูอ่เมื่อเห็นใครเดือดร้อนจริงๆเนี่ยก็จะไปช่วยกันอย่างเต็มที่นะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีที่พวกเราก็ทํากันมาตั้งแต่ดีดถึงปัจจุบันนี้แล้วเนา ะ, ะแล้วก็น่าจะทําทต่อไปเรื่อยๆนะคิดว่าพุทธศาสนายอยู่กับเมืองไทยเมื่อไหร่ก็เหตุการณ์ต่า ง, างๆเกิดขึ้นก็ต้องช่วยกันเต็มที่ ตลอดไปนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีของประเทศไทยเนาะต่อไปก็คือการทำจิตของเราให้ให้ให้ถึงซึ่งความผ่องใสบริสุทธ์นะตรงนี้ก็จัดว่าเป็นหัวใจหลักของพุทธศาสนาเลยนะเพราะจริงๆแล้วพระเจ้าท่านก็ไม่ได้ว่าท่านปฏิบัติทำมามากมายหรือว่าท่านสร้างบุมีมามากมายถึงเสียสงไข่กระแสนมากับก็เพื่อให้เรามาให้ทาน รักษาศีลอะไรเท่านั้นเฉยใช่ไหมจริงๆแล้วศาสนาอื่นก็มีการให้ทานรักษาศีล น, นี่แหละแต่ว่าพุทธเจ้าก็ต้องการให้เราพ้นทุกข์จริงๆนะให้เราเข้าสู่พันิพยานหรือว่าการที่ดับกิเลสนะดับความทุกข์ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด น, นี่แหละคื อ, อคือหลักการที่พุทธเจ้าต้องการให้เราเข้าถึงเนา ะ, ะเพราะฉนั้นเมื่อเราเป็นชาวพุทธแท้จริงนะเราก็มาดูว่าเออเรา เราทําตามาพระประสงค์ของบู้าไหมนะตรงนี้มันเป็นหลักสําคัญเนา ะ, ะบางทีอย่างอย่างคนไทยเนี่ยบอกว่าเออเราเข้าวัดกันน ะ, ะบางทีก็มาเข้าวัดก็จริงนะแต่ก็มาม า, มาทําบุญเท่านั้นเองนะมามาใส่บาตรนะหรือไม่ก็มารักษาศีลมาฟังทำอะไร ท, ทั่วไปเท่านั้นเองนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะไม่ใช่ไม่ดี แต่ว่าเราเรายังไม่ได้เข้าถึงกันจริงๆนะก็คือการที่มาปฏิบัติธรรมกันเนะะาะเพราะมางทีเราจะเห็นช่วงข้ามภาษาคนจะมาทําบุญกันเยอะมากเลยนะอันนั้นเป็นสิ่งดีๆแต่ว่ามันมันก็ยังไม่ถึงว่ามันเข้าถึงอเข้าถึงหลักของพระศาสนาจริงๆเนาะแต่ว่าทุกคนคนต่างประเทศเนี่ยเขาไม่มีเขาเขาไม่ไม่ได้มีพื้นฐานในตรงนี้มาก่อน ก็ไม่ได้มีพื้นฐานว่าต้องมาทําบุญอะไรเป็นหลักแต่เขาเข้ามาที่แก่นเลยนะก็คือก็มาศึกษาแก่นของภาษานาเลยว่า <c oughs> จริงๆแล้วแกน่นภาษานาสอนไว้อย่างไรนะเพราะว่าเขา <c oughs> เขาจะจับตรงนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนต่างประเทศทั่วๆไปนะก็ไม่ได้หวังที่จะทําบุญอะไรมากมายแต่ว่าเขาก็ตั้งใจที่มาศึกษาคําสอนแล้วก็มาปฏิบัติธรรมกันเนะ <c oughs> ก็บางทีก็พ่อจามัยสัยก็เคยเล่านะคนต่างประเทศเวลาไปต่างประเทศนะจะเห็นคนไทยเนี่ยชอบไปทําบุญเอาอาหารไปเลี้ยงพระถวายพระแล้วก็เลี้ยงคนทุกๆไปเสร็จ แ, แล้วคนไทยก็กลับนะคนต่างประเทศเขาก็มาไปบัติธรรมนะมันจะเป็นแบบนี้กันอยู่เป็นประจำใช่ไหมเพราะคนไทยเนี่ยชอบทําบุญกันนะแต่ว่าปบัติธรรมนี่ก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นหลักใจจริงๆนะ ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็กลับมาศึกษาการปฏิรธรรมนะมันจะได้เป็นหัวใจหลัก <c oughs> จริงๆว่าเราเข้ามาสู่แก่นของศาสนาเนาะเพราะตรงนี้คือคือแก่นที่ว่าเรากลับมาศึกษาจิตใจเรานะมันมันสําคัญกว่าเนาะเพราะว่าจิตใจของเรานะมันมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันไม่แน่ไม่นอนนะมันโลเลใช่ไหมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็มันมีอนุสัยกิเลสนะที่ ติดตัวเรามาต้องนานแล้วนะใจของเราเนี่ยนะอนุัยเนี่ยมันติดตัวเรามาคือความโลภความโกรธความหลงนะแล้วก็อารมณ์ต่างๆมากมายนะ ม, นมันมาทำเรามีความทุกขนะ์เนาะความความทุกข์เนี่ยมั น, ม, นมันจะเข้ามาทาให้ทาร้ายจิตใจเรานะแต่เราก็ไม่รู้ทันมันใช่ <c oughs> เราก็ไปหลงอยู่กับมันนะนึกว่ามันดีนะดีบางคนไม่รู้ไม่แต่ความโกรธนะความโกรธมันมันเป็นทุกข์ก็ไม่รู้นะก็เลยชอบโกรธนะโกรธบ่อยๆนะนึกว่าบางคนโกรธแล้วดีคนจะได้กลัวเรานะก็เลยชอบไปอยู่กับความโกรธนะหรือไม่ก็ชอบแสดงความโกรธออกมาใช่ไหาหรือไม่แต่ความโลภก็ไม่ดีนะความอยากได้นะอยากได้อยากมีอยากเป็น นะเราก็ไม่รู้น ะ, ะก็บนอยู่ตรงนั้นนะ่ะมีความยินดีความพอใจความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะมันมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันมาบาังตาเรานะสำหรับพวกเราที่ไม่รู้กันใช่ไหมหรือบางคนก็หลงนะไม่รู้ความเป็นจริงนะไม่รู้ว่ากายใจกําลังทำอะไรอยู่นะแล้วก็ใจก็หลงไหลไปไเรื่อยๆในอารมณ์ต่างๆใช่ไหมอ่ก็เลยไปติดในอารมณต่างๆเนาะบางคน บางคนก็ร้องไห้บ่อยนะร้องไห้บ่อยนะเวลาหัวเราะก็หัวเราะง่ายร้องงา่งงายก็ร้องง่ายง่ายนะเพราะว่าใจใจเราไม่มีหลักการนะมันมันก็เลยขึ้นลงนะขึ้นลงสูงขึ้นลงต่ําขึ้นลงไวนะมันก็หลงวนอยู่ในสิ่งเหล่านี้แลนะ้วแหละก็เรียกว่าคนเรามันมันชอบหลงอยู่แล้วในชะ่ไหมหลงในการไม่รู้นะไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเราก็เลยไหลไปในลมต่างๆเยอะแยะมากมาย ความรักความชังความเกลียดความโกรธความเหงาความเครียดความกลัวความอิจฉาความหึงหวงความน้อยใจความเสียใจมันวันวันหนึ่งมันมันลองเลือกดูว่าเราหลงไปเกี่ยอารมณ์ใช่ไหมมันมันเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวก็เป็นแบบนู่นเดี๋ยวก็เป็นแบบนี้นะเนาะตรงนี้เพราะว่าใจเราไม่มีกําลังนะไม่มีกําลังที่จะกลับมารู้ทันเขาเนาะเพราะงั้นการที่เราแค่เรารู้ทันเขาก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะเพราะว่าสติคืออะไร <c oughs> สติก็คือความรล ะ, ละลึกได้ระลึกได้ว่าอะไรรละลึกได้ว่าเราคิดไปแล้วน ะ, นะคือเราหลงไปแล้วนั่นเองนะระลึกได้ว่าคนนี้กำ ล, ลังรักกำลังชงังกำลังโกรธกำลังเกลียดร ะ, ะลึกได้ในลมต่างๆเนา ะ, นะตรงนี้มันสำคัญสำคัญในระดับแรกนะจะว่าที่สุดมันก็ไม่ได้ที่สุดหรอกแต่มันเป็นการสำคัญในระดับแรกเลยว่าเราระลึกได้ไหม ตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นในใจเราเนาะแต่การที่เราจะระลึกได้เช่นนั้นนะบางทีมันก็ช้าไปนะหรือมันระลึกไม่ได้หรอก <c oughs> บางทีเราคิดไปต้องนานแล้วเราก็ค่อยระลึกได้หรือเราโกรธไปต้องนานแล้วเราก็ค่อยระลึกได้ก็มีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเราใจเราเนี่ยมันยังไม่มีกําลังนะนะขณะนี้ใจเราจะมีกําลังได้อย่างไรนะก็คือเราก็มารู้รู้ตัวก่อนนะมารู้ที่ตัวเราก่อน ตัวเราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นของหยาบใช่ไหมเราก็รู้ได้นะไม่เพง่งไม่จ้องเขานะบางคนก็ไปคอยดูใจก่อนนะมันก็ดีนะแต่ถ้าเรารู้ไม่เป็นมันก็จะทำให้เราตึงเราเครียดเราแน่นอึดอัดหงุดหงิดแล้วก็มึนหัวนะเนาะพเราไปตั้งใจดูใจมันมันมันถ้าดูไม้เป็นมันก็เป็นอย่างที่ว่านะั่นแหละใช่แต่ถ้าเรามารู้กายก่อนนะรู้กายออตอนนี้เรานั่งอยู่เรารู้ไหมว่าเรากลังนั่งใช่ไหม หรือเราพลิกแขวนพลิกมือไปพลิกมือมาขยับมือหรือยกมือต่างๆเราเนี่อล ร, รู้ไหมใช่ไหม ม, มันสามารถรับรู้ได้ง่ายทางกายเนาะมันก็กลับมารู้กายก่อนนะมันอาศัยกายเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของใจใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ใจไม่รู้กายเนี่ยใจก็จะแล่นไปในอารมณ์ต่างๆนะวิ่งหนีไปเรานั่งอยู่ตรงนี้ใจก็กลับบ้านแล้วนะหรือไม่ก็ไปนูน่นไปนี่นะ ก็มันกายอยู่นี่ใจไม่อยู่ด้วยใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าใจมันไม่ไม่มีเครื่องรู้นั่นเองใช่ไหมพอไม่มีเครื่องรู้คือใจปกติไม่มีเครื่องรู้มันจะเล่นไปอยู่ประจำใช่ไหะเพราะเขาไม่มีเครื่องรู้นะแต่ถ้ามีเครื่องรู้บ้างใช่ไหมก็ <c oughs> เช่นพลิกมือขยับมือยกมืออนะไรเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นอุบายให้ใจกลับมามีเครื่องรู้นะอืพอใจกลับมามีเครื่องรู้แล้ว <laughs> เขาก็อ่ามาสังเกตกายก่อนใช่ไหม มารู้ที่กายนะต่อต่อไปเมื่อใจใจไปคิดปุ๊บเขาก็รู้ทันนะรู้ทันนมือใจไปคิดปุ๊บรู้ทันเพราะมันหลุดมันหลุดจากตรงเนี้ยคือปัจจุบันนะเป็นเครื่องรู้ปัจจุบันก็หลุดไปปุ๊บมันก็รู้รู้ได้ก็กลับมาใช่มประเดี๋ยวเ้าก็หลุดออกไปอีกแล้วก็กลับมาหลุดไปก็กลับมานะตรงนี้มันก็กลับมาสังเกตนะกายสังเกตใจได้ใช่ไหม ดีกว่าเราไปนั่งนิ่งๆ น, นั่งนิ่งๆมันก็สังเกตลำบากใช่ไหมบางทีนั่งนิ่งๆแล้วมันก็มันก็ออกไปอยู่ดีขั้งทางนิ่งๆมันก็ออกไปอยู่ดีนะแต่เราเมื่อมีการขยับเป็นตัวรู้ปั๊บเขาก็จะเกิดการเข้าใจหรือเกิดการสังเกตในตรงนี้นะมันก็กลับมาได้เร็วขึ้นกลับมาได้เร็วขึ้นนะการที่เขาไปแล้วกลับมาเนี่ยมันก็คือสตินะแต่เมื่อเราสามารถสังเกตเขาได้นะมันไปแล้วกลับมา ใจที่มันสังเกตได้ไวขึ้นเรื่อยๆนะมันก็เขาเรียกว่าทำให้จิตมันตื่นรู้นะจิตมันตื่นรู้ได้ใช่ม <c oughs> มันก็เรื่อตื่นรู้กายก่อนนะมันก็รู้กายแล้วก็ตื่นรู้กาย <c oughs> หลังจาที่จิตเขาสังเกตใจเขาได้นะมันก็จะตื่นรู้ใจนะใจก็จะเกิดการ <c oughs> ที่เรียกว่าเกิดทักษะหรือว่าความชำนาญในการที่จะเกิดไปและกลับไปแล้วกลับ นะเมื่อก่อนมันก็ไปยาวตอนลังก็กลับมากลับมานะมันก็เรียกว่าเป็นการชักเยอะกันนะระหว่างตัวหลงและตัวรู้นะที่มันไปก็คือมันหลงกลับมาคือคือมันรู้มันก็กลับมานะตรงนี้มันก็ทำให้จิตมันตื่นตัวขึ้นมานะตื่นตัวในการที่จะกลับมารู้บ่อยๆเนาะจากการที่มันกลับมาลุยบ่อยมันก็มันจะกลับมาสังเกตภายในได้บ่อยขึ้นใช่สังเกตกายสังเกตใจนี่แหละ ปกติใจเรามันชอบออกไปข้างนอกอยู่แล้วนะมันเป็นเห็นรูปน ะ, ะเห็นรูปอะไรสวยๆงามๆ ม, มันก็จะไปชอบใจพรมันส่งจิตข้างนอกไปน ะ, ะไปสนใจที่รูปต่างๆนะมัรูปดอกไม้รูปสวยๆงา ม, งามผู้ชายไปสนใจผู้หญิงต่างๆเหล่านี้เนาะหูก็เป็นกันนะมันก็ชอบส่งไปข้างนอกน ะ, ะเสียงแล้วแต่ก็ส่งไปข้างนอกเลยน ะ, ะเสียงใครเขาพูด ว่ากันนะแ ม, ม้แต่เขาไม่ได้ว่าเรานะแต่เขาไปนินทาคนอื่นนะเราก็ไปสนใจฟังใช่ไหมสนใจฟังนะหรือแม้แต่ยิ่งมานินทาเรายิ่งสนใจใหญ่ใช่ไหมเอามันตัวเราก็ไปผสมลงด้วยถ้ามันสนใจมากนะสนใจเออมดาเรามานินทาเราปุ๊บเราก็โกรธเลยใช่ไหมเนี่ยเพราะมันส่งออกนอกอยู่ประจำใช่ไหมอ่าไปไ ป, ไปเพ่งโทษเข้ามาว่าเรามานินทาเรานะ แต่ในขณนะเดียวกันมันไม่มีความทักษะหรือการที่จะกลับมาสังเกตใจเราเองใช่เพราะว่ามันมันไม่เคยฝึกให้เขากลับมาสังเกตใจเราเนาะแต่เเราเราเริ่มที่เรียกว่ามีทักษะในการกลับมาบ่อยๆคือกลับมาที่กายหรือใจนี่แหละเมื่อเวลาเราได้ยินเสียงแม้แต่เข้ามานินทาเรามาว่าเราเมื่อก่อนที่เราเคยส่งออกไปเพ่งโทษคนอื่นไป สนใจคนอื่นเราก็จะกลับมาสังเกตใจเราได้โอ้ตอนนี้ใจเราเป็นอย่างไรนะมันจะเริ่มเห็นใจเราแล้วกําลังหงุดหงิดกาลังขัดเคืองกำลังไม่พอใจนะคือมันมีทักษะในการกลับมากลับมาสังเกตใจเราขณะนี้กําลังเกิดอะไรขึ้นในใจเราเราจะเริ่มรู้นะแต่เมื่อก่อนมันออกไปข้างนอกใช่ไหมไปดูรูปโอ้สวยจังเลยอยากได้นะแต่เมื่อมีทักษะมันก็กลับมาเห็นความอยากได้เห็นความอยากได้เ ห, ไดเห็นใจของเรานี่ยแหละ มันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็รู้ทันใช่ไหมมันจะไม่ได้ว่าออกไปข้างนอกทีเดียวนะแต่มันก็กลับมาสังเกตใจเราได้บ่อยขึ้นได้ง่ายขึ้นนะการที่เขากลับมาสังเกตใจเราเนะี่ยตรงนี้นะมันเรียกว่าเป็นต้นทางของการปฏิัธรรมนั่นเองนะหลวงพาเทียมบอกผู้ใดเห็นความคิดนะผู้นั้นได้ต้นทางของการปฏิธรรมเนาะ การที่เราสามารถที่จะเห็นต้นทางของการปฏิบัติธรรมได้อันนี้มันถือว่าเดินทุกทางแล้วนะมันไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วต้องกิตสงบหรือว่าเห็นนิมิตอะไรทั้งหลายอันนั้นยังไม่ได้เป็นต้นทางการปฏิบัติธรรมแต่ต้นทางของการปฏิบัติธรรมคือการที่กลับมาเห็นใจนี่แหละมันเป็นอย่างไรนะมันดิ้นรนมันกระดุกกระดิกมันกระเพื่อมมันสั่นมันไหวมันกระทบกระเทือนมันขึ้นขึ้นลงลงมันมีอาการต่างๆเนี่ย มันกลับมาสังเกตในตรงนี้เท่านั้นเองนะมันมันเป็นต้นทางของการ บ, บิธรรมนะหลังนั้นเราจะรู้ว่าอารมณ์ต่างๆนะเป็นสิ่งที่ถูกรู้หมดเลยมันไม่ใช่ของเรานะไม่ตัวไม่ตนของเราแต่มันเป็นสิ่งที่ถูกเรารู้ได้ใช่ไหมสิ่งไหนที่ถูกรู้สิ่งนั้นก็คือไม่ใช่เรานั่นเองนะอ่ะาคราวนี้เราก็สังเกตโอ้ความโกรธเป็นสิ่งถูกรู้นะอ่าเมื่อเราเมื่อเรารู้สิ่งใดนะมันก็เลยน้อยลงไปดับลงไป สไลด์ตัวลงไปไเพราะมันเป็นสิ่งถูกรู้นะแต่ถ้ามันไม่ถูกรู้มันก็อยู่ในใจเราเติบโตไปเรื่อยๆนะมันก็มีสิ่งที่ถูกรู้นะอารมณ์ต่างๆนะอารมณ์ก็คือสิ่งถูกรู้ทั้งหมดใช่ไมไม่ว่าจะเป็นความรักความชางังความเกลียดความโกรธความหลงนะต่างๆเป็นสิ่งถูกรู้ได้หมดเลยในใจเรานะครันี้เราก็สามารถที่จะรู้เออมันมีสิ่งถูกรู้ก็มีพ้นรู้ใช่นะ ผู้รู้นี่แหละก็คือใจที่สามารถไปสังเกตสิ่งเหล่านี้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นใจนี่แหละมันจึงเป็นผู้รู้นะมันก็เป็นรู้นะมันก็เป็นผู้รู้เท่านั้นเองส่วนน้องนั้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้หมดเลยนะสิ่งถูกรู้เมื่อเรารู้แล้วเราก็รู้ว่าเออไอพวกนี้มันเป็นเป็นบางอย่างที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนตามันเป็นควธรรมที่มันบังคับบัรชายไม่ได้นะ มันเป็นอาการของใจมันก็เลยไม่ไปให้ค่าในสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมมันก็มันก็ไม่เหมือนสมัยก่อนใช่ไหมสมัยก่อนก็คือเรารักเราชังเราเกลียดเราโกรธนะมันก็มีตัวเราอยู่ใช่ไหมนะแต่เราเมื่อเราเข้าใจในตรงนี้ว่าตรงนี้มันแค่เป็นสิ่งถูกรู้นะมันจึงไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเรานะอ่ามันก็ไม่ไปยึดติดใช่ไหมไม่ว่าเรา เรามดาเราเราโกรธนะมันมันออกมาตรงนี้ได้นะมันเป็นบางอย่างอาการทางใจมันก็เกิดเกิดแล้วมันเป็นไงมันก็ดับนะมันก็เห็นภาวะธรรมที่มันเกิดแล้วก็ดับนีหละมันเป็นสภาวะบางอย่างที่มันไม่แน่ไม่นอนไม่เที่ยงนะเป็นของชั่วคราวนะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้หมดเลยใช่ไหแต่ว่าในตัวรู้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีความทุกข์ในตรงนั้นแล้วใช่ ตัวรู้มันก็ไม่ได้เป็นผู้โกรธผู้รักผู้ชังผู้เกียรติมันก็แค่รู้เท่านั้นเองนะมันก็มันก็ผ่านไดเร็วใช่ไหมมันไม่มีตัวเราอยู่ใช่ไหมเพราะฉนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าตัวเราอ่าอยู่ตรงไหนนะมันก็อาศัยตัวรู้นี่แหละมาเข้าใจสภาวธรรมต่างๆว่ามันไม่ใช่ตัวเมตตนของเรานะอ่าสิ่งต่างมันก็เป็นแค่สิ่งถูกรู้แล้วก็ผู้รู้แล้วก็รู้แค่นั้นเองมันก็จบในตรงนี้ใช่ไหมเพราะมันจึงจบที่รู้ใช่ไหมจบที่รู้เท่านั้นนะ จบที่รู้แล้วมันก็จบนะมันมันมันมันก็ไม่มีที่จบใช่ไหมอ่ามันจะเป็นอะไรขึ้นนะมันก็ไปวนอยู่ในความคิดความรักความชังนั่นแหละมันจะไม่จบนะแต่มันมันรู้แล้วมันก็จบที่เราจบตรงนี้แล้วอย่างอื่นมันก็ไปเรื่องมันไม่เรื่องเรานะเป็นเรื่องของจิตใจของเขาเองนะอ่าเป็นอารมณ์เป็นสิ่งทุลุ่ยทั้งหมดไม่ใช่เรานะไม่ใช่ตัวเมตตุของเราเนี่ยมันจะออกในสิ่งเหล่านี้ได้นะในตรงนี้มันก็คือสภาวะรมอย่างหนึ่งที่เรา กับรู้ที่ใจนะเมื่อรู้ที่ใจแล้วเป็นอย่างไรนะตอไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะรู้ว่าสิ่งต่างนั้นนะมันมันไม่ใช่ของเราแล้วมันก็ใจมันก็เลยเกิดการปล่อยกันวางในตัวมันเองใช่ไหมใจก็เกิดความบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นมาใช่ไหมก็คืออนุสัยกิเลดนะมันเป็นความเคยชินความเคยชินในการที่มันจะรักจะโกรธจะชังจะเกียจใจฉาทั้งหลายแหละนะ นี่คือความเคยชินแต่เมื่อเรารู้บ่อยๆแล้ว <c oughs> ความเคยชินเหล่านั้นก็จะค่อยๆจางลงจางลงจางลงไปนะมันไม่ได้หมดไปแต่มันจางไปได้ใช่ไหมเมื่อ <c oughs> มันจางลงไปมันลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะนี่แหละมันก็ไปเปลี่ยนอนุสัยกิเลส ข, ของเรานะจากเมื่อก่อนเราเป็นคนโกรธเก่งมันก็จะเริ่มที่รู้ทันแล้วมันก็โกรดน้อยลงนี่แหละคือความจางคายอของตัณหาหรือของ <c oughs> กิเลสทั้งหลายแหล่นะ เนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนที่เราเห็นได้ชัดเจนใช่ไหมอ่มันก็เพราะฉะนั้นมันก็มีได้นะไม่ใช่ความกดมันมีไม่ได้แต่ว่ามันมันไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่ได้นิดเดียวเนอะมันเป็นสภาพว่อีกอย่างหนึ่งที่เราไปรู้ได้เท่านั้นเองใช่ไหมไม่ไม่ตัวไม่ตนของเราเนใจเราก็จะไม่สุดไม่เรื่อยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เข้าสู่สภาพเดิมของเขาใช่ไหมที่ว่ามันไม่ต้องไปเป็นอะไรไม่มีไม่ใช่อะไรไม่ใช่ตัวของเราไม่ใช่ของของเราไม่ตัวตนของเรา นะตรงเนี่ยพอ น, นเราก็ดําเนินตามที่พระเจ้าได้สอนแล้วนะก็คือการที่เราไม่ทําบาป ท, ทั้งปวงาการทํากุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ทานการทําใจให้ถึงซึ่งความบุญสว่างไสนั่นเองนะเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกขนะ์เนาะคนใน ท, ท้ายสุดนี้ก็ขอรัตนาบา ร, รมีคุณพระไตร <c oughs> น้อมนำทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพ่านทุกท่านเถิด